ยีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทําจิตว่างวงเล็บเปิดเก้ามกราคม25งพันห้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทียีหวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทําจิตว่างท่านสอนบอกว่ากายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนารู้เวทนาจิตตานุปัสสนารู้จิตธรรมานุปัสสนารู้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตานุปัสสนานะ หลวงพ่อเคยไปอ่านพระสูตรของมหายานอันหนึ่งแต่เดิมคิดว่ามหายานชอบสอนต่สุญยตาอย่างอื่นไม่สอนมีพระสูตรมหายานอันหนึ่งชื่อมหายานไวยปุลยะทารณีสูตรชื่อยาวเฟื้อยเลยพูดถึงพระรูปหนึ่งชื่อพระธรรมมาพระธรรมมานี่มีความเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างหมดศีนสมาธิปัญญาไม่สําคัญบา ร, รมีหประการวงเล็บเปิดของมหายานมีบา ร, รมีหนะของเราเป็นบา ร, รมีสิบ วงเล็บปิดคือบรารมีทั้งหลายไม่ต้องสร้างสมศีลภาวนาไม่ต้องทำหรอกถ้ามีปัญญาอันเดียวเห็นกายเห็นใจว่างเปล่าแค่นี้ก็บรรลุธรรมแล้วพระธรรมมาหลงผิดแล้วเที่ยวไปสอนคนบอกว่าไม่ต้องทําทานถือศีลไม่ต้องนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องสร้างคุณงามความดีทั้งหลายหรอกทําจิตให้ว่างลูกเดียวเลยถ้าเข้าถึงสุญญาตาแล้วก็คือสําเร็จแล้วอันนี้เป็นความเห็นผิดนะในพระสูตรมหญญายานสอนไว้เลย ดังนั้นไม่ใช่มหายานสอนให้ทุกคนทําสุญญาตานะเขาสอนให้สร้างบา ร, รมีตังหาพอบา ร, รมีเต็มเปี่ยมแล้ววันหนึ่งปัญญาแก่รอบขึ้นมาก็จะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากการมีคนมีสัตว์ไม่มีคนมีสัตว์นะเห็นโลกนี้ว่างเปล่าว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสไม่ใช่น้อมใจเข้าสู่ความว่างการน้อมใจเข้าสู่ความว่างมันคือการทําสมถกรรมาฐานชนิดหนึ่งเรียกว่า อากาสานัณจา ย, ยตะนะคือการน้อมใจให้ว่างเออะก็ว่างว่างว่างไปเรื่อยนะไม่ใช่ทางแล้วในพระสูตรมหายานนั้นบอกว่าพระธรรมา น, นี่บำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆนะจนมาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เลยมาเสวยพระชาติสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าเรานี่เองแต่เดิมไปสอนบอกว่าทุกอย่างว่างไม่ต้องสร้างคุณงามความดีอันนี้สูตรของเขานะไม่ใช่สูตรของเราแล้วบอกว่าอากุศลอันนี้ทําให้ท่านต้องมาเกิดอุบัติในโลกอันนี้ ซึ่งสัตว์มีอินทรีย์อ่อนมากเลยท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านในการสอนมากกว่าพระพุทธเจ้าอื่นๆ อ, อีกหลายองค์นี่สุดของเขานะของเราไม่มีอันนี้แต่รวมความก็คือกระทั่งมหายานก็ไม่ได้สอนให้ไปดูความว่างทั้งฝ่ายเทราวาทก็ไม่มีสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีทั้งสองข้างเลยนะอันนี้เป็นความเข้าใจเคลื่อนไปในมหายานเขาเรียกสุญญาตาทิฐิคือมีความเห็นผิดเกี่ยวกับสุญญาตา สุญญาตาเป็นผลที่จิตไปประจักษ์เข้าเมื่อจิตพ้นจากความยึดถือในขันแล้วไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนี่พอเรียนรู้แจ่มแจ้งวางขันลงไปก็จะเข้าถึงสุญญาตาเราจะเห็นโลกนี้ว่างนะว่างจากคนว่างจากสัตว์ว่างจากเราว่างจากเขาว่างจากความทุกข์ว่างจากกิเลสแต่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจะเห็นกระบวนการทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปรากฏการทั้งหลาย เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเห็นนะยังเห็นคนนี้ดีขึ้นเลวลงนี่เห็นแต่ทั้งหมดว่างเปล่าจากความรู้สึกว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์ถามว่าแล้วมีความเมตตากรุณาไหมมีมีความเมตตากรุณาไม่ใช่ว่างแล้วแห้งแล้งนะไม่ใช่ว่างแล้วใครจะเป็นจะตายก็ช่างมันเพราะว่างเปล่าไม่ใช่นะ